บุ๊ก <Book> 2สามทรการทำความรู้จักสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะ สบายดีไหมคะ Як k s p r a v คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ ВЫ z Evropy. คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ ВЫ z Ameriki. คุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ ВЫ z a z i คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะ У якому готелі ви проживаєте? คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ Як довго ви вже тут? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ Як надовго ви залишаєтеся? คุณชอบที่นี่ไหมคะ ค, คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะวิดทุตวิดปูสซี่มาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะวิดวิดายเตมเนะ่นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะโอสมวยอดรสะเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ Ми побачимося завтра ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่าง На жаль Я вже щось запланував Запланувала ลาก่อนค่ะ Бувайте ลาก่อนค่ะ До побачення แล้วพบกันนะคะ До зустрічі!